วันนี้เป็นวันพระเฤหัสที่ห้าพวกคณะเรียกว่าคณะเทียนสว่างเป็นการปฏิบัติธรรมเนยกวลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมคณะเทียนสว่างนี่จะดีนะการปฏิบัติธรรมได้รวบรวมกันมีพลัง กำลังแรงกำลังกายกำลังทัพทําเป็นภาพกาสามัคคีมาถว า, ายให้โลงพ่อเอาไปบริการบํา่รุงที่ทับนิ่งขวนที่มันขาดตกบกพร่องทับนิขวนเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเริ่มงานรางเรากันมาใน ปีหนึ่งยังไม่ถึงปีดีปีหนึ่งแล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมมีหลายวิธีแต่สำหรับทัพนิ้วรนั้นจะปฏิบัติธรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงทางทจิตใจแต่คำว่าเปลี่ยนแปลงนี่บางคนอาจจะเข้าใจได้บางคนอาจจะไม่เข้าใจได้ พอเปลี่ยนแปลงทางจิตใจนั้นจิตใจมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราจะเปลี่ยนแปลงกิเลสแต่กิเลสมีอยู่จะไม่ให้มันแสดงขึ้นมาแต่สถานที่ที่ตรงนั้นเหมือนกับโรงเรียนใครสนใจไปศึกษาที่นั้นได้ที่นั้นเป็นสาขาออกไปจากวัฒนธรรมในจังว่าพวกคณะ อุมเทีย <Yeah. S 1> นสว่างจึงนำถวายที่วัดสนามในให้หลวงพ่อนำไปบรนะิการเรีอกบริหารงานที่ทับนี้คขวรเพราะว่าทางนี้ไปติดจําหน่นมากหลายคนจะเอารถเอาอะไรไปมันมากก็ถวายที่นี่แต่ลกวันหลวงพ่อไปทําคนเดียวดังนั้นพวกเราได้ทําสึ่งนี้ปแปลว่าทํา ให้หลักพุทธศาสนามั่นคงขึ้นมาคําว่าพุทธศาสนามั่นคงนั้นไม่ได้เจริญลดวัตถุจเจริญทางจิตใจเดียวนี้คนเข้าใจกันทิ้งทางชีวิตปล่อยชีวิตไปให้เป็นทุกข์เรามาดําเนินงานการทางวัตถุเอาวัตถุเป็นการงาน แต่ไม่ได้เอาจิตใจเต็นการงานไม่ได้เอาชีวิตถตงการงานมันี่พวกเรามาที่นี่ต้องเอาชีวิตเต็นการงานหรือจิตใจเป็นการงานทางวัตถุก็ดีเราก็ต้องปฏิสังขรณ์ซ่อมแฝงไปตามฐานะที่ว่าเราจะควรสร้างได้สร้างวัตถุนั้นเรื่องหมดเงินหลายมากแต่เรื่องสร้าง เรื่องชีวิตจิตใจเนี่เป็นเงินน้อยแต่คนไปดิบยมกับเรื่องเงินเสียชีวิตเอาชีวิตเขาแลกเปลี่ยนตัวเงินเน่เป็นอย่างนั้นคล้ายๆคือชีวิตนี่ไม่มีราคาไม่มีค่าอะไรทั้งหมดเราไปเห็นว่าเงินหรือวัตถุสิ่งอื่นๆน่ะมีค่ามีราคามากกว่าชีวิตเลยไม่ได้สนใจเรื่องชีวิตปล่อยให้ชีวิตเป็นปุ๊บ คนเราเป็นทุกข์เพราะเงินพเพราะเกลี ย, ยดยศซื้อเสียงยอมเสียสละชีวิตที่งไปยอมตายนี่ว่ายอมตายเอาชีวิตไปแลกเอาเงินเอาซีไปแลกเอาเปลี ย, ยดยศซื้อเสียงอันนั้นหลวงพ่อเข้าใจว่าเป็นการเข้าใจผิดเพราะชีวิตเนี่ยหาซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ ที่ไหนไม่มีซิริส์ขายเลยใว่ไหมซีรีิ่งมีค่ามีราคามากดังนั้นทัพเมืองขวนนั้นจะพยายามปฏิรูปเรียกว่าจะให้ซีรีส์พูนมาโดยที่ว่าไม่เป็นทุกซีรีส์ยิ่งมีราคามากเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของซีรีนั้นถ้าจะพูดกันเปลี่ยนแปลงไม่แช่ว่าพูดกันเปลี่ยนแปลงได้ เพราะหลวงพ่อก็เคยมีเช่นเดียวกันเราคิดว่าเงินต้องมีราคามากซื่อเสียงต้องเป็นที่ดีมากคนมีเงินคนเคารมนักถือคนมีซื่อมีเสียงมีเกียรติมียศมีพักมีพวกมากคนเคารมนักถืออันนั้นเป็นวัตถุภายนอกแต่เรื่องชีวิตเราไม่ได้เคยดูเลยเป็นบัตรนี้อยากให้พวกเราเงินก็ให้มี ซือเสียงเกียร์ยกก็ให้มีสิ่งนั้นให้มันมาตามทีหลังแต่เราพยายามเอาชีวิตก่อนเพราะชีวิตเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดพระพเจ้าของเรานี่เองที่เขาล้มละถือท่านเป็นลูกมหากษัตริย์มีเงินมีเพื่อนมีทุกอย่างเละมีบ้านอยู่สามระดูแต่ท่านก่นยังวัดชีวิตเป็นทุกข์ชีวิตจริงๆไม่ทุกข์เลย อันพุกเพราะเราไม่รู้มันเรียกว่ากิเลสท่านวาเรียกกิเลสคำว่ากิเลสนี้ทุกคนพูดได้ได้ย่างนั้นดังนั้นจึงว่าการพัฒนาชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญพวกเรามาที่นี่ก็เรียวามาพัฒนาชีวิตกําลังนั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยเคยดูมันบ้างไหมที่มันเป็นปกติอย่างนีน้นี่พูดให้ฟังอย่างลัดัด อันปกติอันนี้นะถ้าผิดปกติจากนี้ไปเรียกว่าบ้าบ้านหลงพอเรียกว่าดีใจก็บ้าเสียใจก็บ้าคนนั้นผิดปกติแล้วเรียกว่าบ้าดังนั้นบ้าประเทศนี้ไม่ใช่บ้าเสียสตินะบ้าเสียสติน่ะบ้าไม่รู้จะไปเรีนะบ้าอันนี้บ้าธรรมะบ้ารู้ธรรมะบ้าไม่รู้ธรรมะ ทำมจึงบ้ารู้ธรรมะคนรู้ธรรมะก็ทูมใจผิดปกติกันเดียวบ้ารู้ธรรมะหนึ่งบ้าไม่รู้ธรรมะกว่าหาธรรมะก็บ้าไม่รู้ธรมธ ร, มมธรมะอีกแล้วธรรมะนั่นคือปกติกายปกติวาจาปกติใจนั่นจะ ว, ว่าธรรมะธรรมะเราไม่ต้องไปดิน้นโลนขน ห, หวยหาอะไรที่ไหนเราคอยดูการเคลื่อนไหวรูปกายการเคลื่อนไหวของจิตใจ เมื่อเราดูสองอย่างนี้เห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่ว่าร่างกายเคลื่อนไหวถ่ายไปทางดีคนมองเห็นว่าดีเคลื่อนไหวไปทางชั่วเขาเรียกว่าชั่วเคลื่อนไหวไปทางดีเขาเรียกว่าธรรมะเคลื่อนไหวไปทางชั่วเขาเรียกว่าผีเนี่ยคนทําชั่วเหมือนผีคนทําดีเป็นธรรมะเนี่ยอันนี้เป็นภาคต้นบัดนี้จิตใจถ้ามันเคลื่อนไหวไปทางดีเรียกเป็นการปฏิบัติธรรมะ ถ้าเคลื่อนไหวไปทางชั่วจะเป็นอาธรรมอย่บัดนี้ธรรมะนั้นอยู่ที่ตรงไหนธรรมะอยู่ที่ปกติตัวปกตินั้นเรามีปกติเราจะรู้ว่าจิตใจเราเคลื่อนไหวไปข้างไหนไปข้างซ้ายหรือไปข้างขวเนี่ยคนเรามันมีซีดซ้ายซีดขวถ้าเราอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยเราจะเคลื่อนเบื้องซ้ายควรรู้จะเคลื่อนเบื้องขวาควรู้ถ้าเราเป็นปกติแล้วโมหะเข้ามาเราก็จะรู้ โลภะเข้ามาก็จะรู้อะไรเข้ามาเราจะรู้นี่ปกติโยนี้เรียกว่าธรรมะเป็นสมบัติของมนุษย์มนุษย์แต่ผู้หักห้ามจิตใจได้ท่าน่อย่างเดยวมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติพวกคนมาที่นี่ต้องการสวรรค์ต้องการนิพพานทั้งนั้นแต่เรารู้บ้างไหมสวรรค์หมายถึงอะไรนิพพานหมายถึงอะไรไม่ค่อยรู้ หลวงพ่อก็ไม่ใ ค, ครใครู้นึกว่าตายแล้วจึงเอา n i r v a n ตายแล้วจึงจะเอาสวรรค์เอามาทําไมตายแล้วนี่มีประโยชน์อะไรเราต้องเอาสวรรค์เอานิพพานที่มีอยู่ในตัวเราเราไปคิดว่าตายแล้วจึงเอาสวรรค์เอาข้างหน้าความสุขเพราะความหวังเท่านั้นเองคนทําบุญมากๆ ก, ก, ก็สุขเพราะความหวังแต่สุขจริงๆนั่นไม่ได้สุขไม่สุขอะไรเขาว่ามันมีหลายสุข อันสุขเอาความสุขที่มีอยู่ในตัวเราอย่างนี้เนี่ยอันนี้ถูกต้องไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องจากใครที่ไหนเลยเนี่พอดีเราได้ปกติอันนี้เป็นสมบัติของมนุษย์เปล่าหักห้ามได้หักห้ามไปข้างดีก็หักห้ามได้หักห้ามไปข้างชั่วเราก็หักห้ามได้ข้างดีนะคนหัวเลาะมีคนมาสมเราหัวตายก็มี นี่ยมันเตือนดีใจมากเกินไปก็ไม่ดีเสียใจมากเกินไปก็ไม่ดีนี่มันเตือย่นเดียให้เราอยู่ปกติพอดีพอดีคําว่าพอดีพอดีเดียกปกติทําการทํางานพูดคิดอะไรให้พอดีพอดีร้อนเกินไปก็ไม่ดีเย็นเกินไปก็ไม่ดีมันไม่ดีร้อนเกินไปเขาวนนรกเย็นเกินไปเขาวนหลงตัเนี่ยคืออย่างนั้นความหลงความประมาท เป็นคำเดียวกันนะความประมาทเป็นบ่อกเกิดแห่ง ค, ความตายความหลงเป็นบ่อกเกิดแห่งคมหลงผิดเนี่ยท่านสอนอย่างนั้นสอัสั้นวันนี้เรามาถวายรับใจเพื่อบำรุงทัะเมืงองหัวงเป็นการมาเปลี่ยนแป ล, ง เ, ปลงเนื้อออกกำไรชีวิตคำว่ากำไรชีวิตไม่ได้หมายถึงไร้าไปขายเราฟังแล้วรู้แล้วจำได้นำไปพูดให้คนอื่นฟัง คนอื่นจะได้แก้ไขนั่นแหละคือกําไรสี่ดิตเมื่อกับเราไปค้าขายถ้าเราไปค้าขายได้กําไรเราก็ดีถ้าเราไปค้าขายขาดทุนบริษัททางร้านก็หมดบัดนี้เรามาฟังเทศฟังธรรมฟังอะไรก็ตามฟังและไม่เกิดปัญญาก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างฟังที่หลวงพ่อพูดนี่ถ้าไม่เกิดปัญญาก็เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดปัญญาก็นําไปใช้ได้บัดนี้เรามาที่นี่เลยว่า เอากำไรชีวิตเพราะฟังสิ่งนี้อ่อันปกติได้มีทุกคนแล้วพ<อ>เพื่อนเพื่อนอันปกตินี่คือใครเขาเรีกออกเป็นภาะเรียบคลได้มขั้นต้นเรียกว่าพระโสดาบันคนนเป็นไยงหรือพระโสดามากักพระโสดาผลเราเคยพูกันในสังฆ ค, คุณว่าสุปฏิปนโนภะวะโตสาวกสังคโฆ สงสาวกของพระภูมิภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วคือคนปฏิบัติดีนั่นเองอันตัวหลวงพ่อนีนเป็นสงสมมติโตพระสงฆ์จริงๆคือพระโสดาบันบุคคลนึ่งอุชูปฏิปัโนภะควะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระภูมิภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายญปฏิปัโนภะควะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระภูมิภาคเจ้านั้นหมู่ใด ปฏิบัติเพื่อลู่ธรรมเป็นเครื่องออกจากภูเลออกจากทุกนเ่คือออกจากดีใจออกจากเสียใจไม่ใช่ออกจากทุกทางร่างกายร่างกายต้องทําการทํางานไปตามหน้าที่เนีย่ยที่ทางจตานี่โริสานโยคานี่อัตถ์โพลิสาบุกคลานี่คู่แห่งบุรุษสี่คู่เ น, นี่ยนับเรียงตัวบุรุษได้แต่บุรุษเอสะพระวัตโตสาวกสังโค นั่นแหละสงสาวกของพระพิเภกเจ้านี่อาหุเนยโยเป็นสงควรแก่จักกะละที่เขานำมาบูชาตาหุเนยโยเป็นสงควรแก่จักกะละที่เขาจับไปต้อนรับทักคินาโยเป็นผู้ควรรับทักกินาทานอันสเลกะละเนโยอนุตตลังพุทธเกษตรตานโลกาตะเป็นเนื้อนาบุญของโลกเนื้อนาบุญยิ่งกวัวไม่มี ดังนั้นพวกท่านมาที่นี่ต้องทาปกติให้ได้เมื่อเราทาเป็นปกติได้นั้นเรียกว่าเราได้กาไรเราเกิดใหม่ตัวไดเราจะเอาปกติอันนี้ไปพูดให้เพื่อนมนุษย์ทุกชาติทุกภาษทาทุกเพศทุกวัยได้รู้ปกครอมปกตินี้เป็นสมบัติของมนุษย์เป็นทุกคนผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าก็มี ดังนั้นอันปกปติได้มาเกิดมาก่อนพระพุทธเจ้ามันมีอยู่พระพุทธเจ้าเป็นคนแรกคนพบในประเทศอินเดียท่านจึงสอนว่าสัตทั้งหลายคือเราจะถากอดสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราจะถากอดสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตท่านสอนเอาไว้เกี่ยวข้อที่สี่ในท่านสอนว่าสัตว์ทั้งหลายเราพูดเป็นตถาคตไปจนแล้วแห่งนั้นแล้วจะนามาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจกเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้เราทํำแล้วได้อย่างถ้าเราไม่ทําเราก็ยังไม่เป็นยังไม่มีที่ท่านตรัสซ้อนไว้หลายอย่างเนี่ยพุทธานุพุทธังสามะศิลทิธิงผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีศินได้ทีิททเสมอการ อันสินห้าสิลแปดสินสิสิลสองร้อยี่สิบเจ็ดสินสามร้อยนั้นรักษาแข่งคัดขนาดไหนก็ยังจัดการกับสิ่งนี้ได้อันนั่นจะว่าเป็นสินสมมติเป็นสังคมสินคนจะโยระดับใดอุโบสถสินเขาตั้งเป็นพักหนึ่งขึ้นมาสินสิบเตั้งเป็นักหนึ่งขึ้นมาสองร้อยยี่สิบเจ็ดเขาตั้งเป็นพักหนึ่งขึ้นมาศิลสามร้อยสิลพิตูนี เขาตั้งเป็นพักเป็นพักขึ้นมาอันนั้นเป็นสังคมคนจะอยู่กับพักไหนต้องอยู่กับพักนั้นแต่เราไม่ได้เถื่อยพุทธศาสนาสอนเป็นกลางๆไม่เป็นของใครเป็นของบุคคลผู้ศิรยขิมธรรมะที่ทำํำพระพุทธเจ้ามีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทเจ้าเป็นคนแรกคนพบคือคนพบปกตินี้เองเราจะไปเข้าการเหาะเหินเดินลวงได้ กนยังไม่รู้จักปกติก็แสดงว่าบ้าเหมือนกันเนี่ยมันคิดปกติไปแล้วบ้าบ้าจึงบ้าธรรมะบ้ารู้ธรรมะบ้าไม่รู้ธรรมะถ้าคนรู้ธรรมะแต่อยู่ปกตินี่เองปกตินั่นเขาเรียกว่าเป็นพระอริยะบุคคลถ้าหากมีพระธรรมวินัยอยู่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุปัชกาย์ประพฤติปฏิบัติทอด ตามพระธรรมด้นในของเราจะถาคตอยู่นั้นท่านพุทธ ง, งุ้งมักผลนิพพานก็ไม่ว่างจากโลกนี้คือไม่ว่างจากตัวบุคคลไม่ใด้ว่างจากโลกโลกเปนฟ้าอากาศโลกดินฟ้าอากาศมันาาาเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นคนละเรื่องให้เข้าใจอย่างนั้นทิสุทิสุนอุบาสกเบจกาอยู่โดยชอบอพระอัลลาห์ก็จะไม่ว่างจากโลกนี้อยู่ด้วยชอบหมายถึงอะไร คือทำการทำงานตามหน้าที่อย่างสุปฏิปนันโนนั่นเองเรายู่ได้ชอบเมื่อจิตใจมันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้อันนั้นเรวอยู่ดีชอบพระอรหันต์ขอจะไม่ว่างจากโลกนี้เน่ยเราก็เลยเป็นผู้ได้เข้าร่วมพระพุทธเจ้ า, าเดินทางตามพระพุทธเจ้าเดืนสาวกุทธะเรามาทำพิ ธ, ธีถวายผ้าป่าสังฆทานนึกผ้าป่านะภาพ ผ้ S <S าป่าสมัครีเนี่ยเดี๋ยวสลวงพ่อเออไปสังกัรผ้าป่าสมาคัครีนั่นนะต้อพยายามทําอันนี้ให้ได้เราจะได้ให้คนอื่นได้รู้ด้วยได้กําไรยังสมมุติว่าพวกหนูพวกคุณไม่รู้ทุกคนอ่ะถ้าออกซื้อคนนั้นคนนี้มันไม่ดีจำนวนหลายท่านเนี่ยตั้งห้าสิบกว่าท่านนะห้าสิบกท่านออกซื้อคนนั้นคนนี้ก็แย่เยหลพ่นนี่ยมีคนหนึ่ง รู้จากปกติดีถ่ายทอดคนนั้นเราได้กำไรคนหนึ่งแล้วหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อได้ทำให้ชีวิตคนพ้นไปจากความทุกข์อย่างน้อยที่สุดหลวงพ่อเป็นหลายสิบคนหรือร้อยคนก็ได้อาจจะถึงพันคนก็ได้ น, ะนี่แหละกำไรชีวิตของเราจริงๆเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่พระพุทธเจ้าวางให้คน น, นั้นคนนี้ท่าไว่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระอนินถามว่าจะมอบให้ใครเป็น เจ้าของจะมอบให้ใครเป็นหัวหน้าเนี่ยท่านถามพระอนุทา น, นามไม่ให้ใครทั้งหมดปล่อยให้พระสงฆ์เป็นหัวหน้าปล่อยให้เชสสูพิสูนี้อุบาสกุปิกาทั้งหมดเลยเป็นเจ้าของท่านบอกมาอย่างนั้นแต่เราคนเลยเสยเลยเท่งหน้าที่ไปเลยเกิดเป็นคนจะเข้าใจว่าเราเป็นคนนะหลวงพ่อเขาเกิดเป็นคนนึกว่าเราเป็นคนเนี่ยไม่ใช่คนแต่เป็นคนเพียงแค่ขาหน้าตามือเท้าเท่านั้นเอง แต่จิตใจยังไม่ใช่คนไม่ใช่คนหรือพ่อเคยถามคนมาหลายจํานวนปริญาตีปริยาโทรปริยาเอกเขาว่าด็อกเตอร์นีย่ยหลายคนด็อกเตอร์ก็ถามหลายคนเรียนธรรมะบาลีประโยคสามถึงประโยคเก้าหลวงพ่อก็ถามคนเท่าคนแก่หลวงพ่อก็ถามคนนี่ใครให้ซื้อเสียงเรียงนามมาไม่มีใครตอบเลยมีแต่เขาก็เรียกกันมาอย่างนั้นแสดงว่ายังไม่รู้ธรรมะหลักพระพุทธศาสนาจริง คนได้ตอบอย่างนั้นพวกหนูหนูพวกคุณจำได้เลยอันนั้นยังไม่ใช่คนนะแต่เป็นคนเพียงแค่ขาหน้าตามือเท่านะั้นเจวให้รู้จักความเป็นคนศึกษาให้รู้เรื่องของคนหน้าที่ของคนคาว่าคนหมายถึงบุคคลผู้ที่มีปัญญาเป็นพระเรียบุคคลจึงจะเป็นคนได้เลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นบุคคลถ้าว่าบุคคลก็เลยเป็นคนไป ถ้าเป็นบุคคลอย่างที่พวกเรามาฟังธรรมะอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเรียกเป็นบุคคลถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านั่งอยู่ที่เรียกเป็นพระนี่เราสงอยูเป็นคนพอเลือกจกักเลือกเอาหน้าที่ของคนมาปฏิบัติเพื่อมรักผลเบื้องสูงท่านไั้อันคนนั่นน่ะมันสับสนวุ่นวายจึงว่าเอาหน้าที่ของคนมาปฏิบัติคนเรียกเป็นพระธรรม พระทำงานพระทำการทําการทํางานขี่ดพวกคุณทํางานอะไรลุงเนี่ยลุงการสึพษาเอกพระทำไปด้วยเนี่ยอย่างที่พวกคุณจะเนี่ยไปทํางานอะไรอ่ะนี่ก็ทํางานเอกพระทำไปด้วยอย่างพระทํางานไม่ใช่คนทํางานนะพระทํางานพระทํางานเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอย่างที่หลวงพ่อไปทํางานที่จะเป็นพระอันนั้นเป็นเรื่องสมมุติให้เราเข้าใจพระทําการพระทํางาน ทำการทำงานตามหน้าที่เรียกว่าพระสงฆ์สาวกของพระพิพาเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติ ด, ดีแล้วถ้าหากเมืองไทยเราเข้าใจหลักพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วหลวงพ่อว่าเมืองไทยไม่ต้องเดือดร้อนเพราะพระธรรมรักษาแล้วพระธรรมยอมรักษาผู้ประพฤติทธรรมไม่ให้ตกไปในทิชชั่เราก็ไม่ต้องทำไปเพื่อความทุกข์เราทำเพื่อทร เราจะงไม่มีการขัดแย้งกันทั้งหมดเราจะมีกำไรทางซีวิตเยาว่าเรามาค่ะเดี๋ยวนี้มันมีการขัดแย้งเพราะเงินเอาซีวิตไปแลกเงินนี่มันเป็นอย่างนั้นจอ้อามันผิดท่าผิดหน้าที่ผิดในการปฏิบัติเราอย่าทำอย่างนั้นเกิงานต้องทำเงินเดือนต้องได้อันนี้เราอยากได้ซื้ออยากได้เสียงอยากได้เกียดอยากได้ยศ อยากได้เงินมากๆซ็อโกงกันมันผิดเรื่องไปมันก็เลยเดือดร้อนมัมี้อยหนึ่งอยากได้ถึงพันมีพันอยากได้ถึงล้านมีล้านอยากได้พันล้านมันเดือดร้อนเราไม่ต้องอยากได้เพียงทาดีดูเพียงแค่ทำดีเอาชีวิตไม่เป็นทุกข์เดี๋ยมาค้าขายนั่นแหละคือคนแท้ๆเรียกเป็นพระเรียบบุคคลท่านว่าอย่างนั้นจึงว่าอันนั้นแหละ คือผู้ที่ทำให้หลักพระพุทธศาสนาเจริญได้ควมเป็นคนรู้จักหน้าที่ของคนจึงเป็นคนถ้าไม่รู้จักหน้าที่ของเราทำให้สับสนวุ่นวายจะเป็นคนทำไมนั่นก็เป็นผีบ้างเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นทุกอย่างอนันเนวิภัณอย่างไม่ใช่คนถ้าคนจริงๆล่ะเลือกปฏิบัติเอาแต่หน้าที่ของเรา สิ่งที่ผิดหน้าที่มนเป็นเรื่องของโลกโลกยึงอยู่ด้วยความทุกข์ความสับสนวุ่นวายเขาเรียกว่าโลกโลกคือความทุกข์ความเดือดร้อนท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นพวกเรามาทำภาพตาสามารีเพื่อบำรุงทัพนิ่งขวนให้ทัพนิ่งขวนเป็นโรงเรียนที่วัดสนามไหนก็เป็นโรงเรียนเมนก็นแโรงเรียนมัน น, อน้อยแต่คนกรุงเทพต้องปฏิบัติที่วัดสนามไหน แต่ถ้ามีโอกาสว่างๆไปทับหนึ่ขวานก็ได้หรือทุกคนเป็นของเราทางนั้นทับหนขวานไม่เป็นของใครเหมือนกับโรงเรียนใครต้องการเรียนหนังสือสั้นไหนก็ไปที่นั่นแต่สําหรับทับหนึขวนนั้นปีนี้ทิดว่าจะกภรรยาคลิปกันให้มีครูให้มีครูออกไปสอนเดียวนี้มีพระก็จริงแต่ว่าขาดผู้ที่ชี้เรื่องชีวิตมีแต่พระ ประจำวัดแล้วกลับไปทําสังฆทานกันเก้าองค์แซย่าโจมหลวงพ่อเคยถามแล้วพระเก้าองค์ไปสวดปริตะมงคลบ้านมีความหมายอย่างไงไม่ค่อยรู้กันแล้วพระเก้าองค์ไปสวดกะโยจักคุ ม, มาโมหมะลาปะกะุูสิบองค์ก็สวดคมเดียวกันองค์เดียวก็สวดคําเดียวกันนั่นนี่มันไม่มีความหมายถ้าหากเรารู้จักองค์เดียวก็เป็นสังฆคุณเก้า คำว่าพระเก้าองค์หมายถึงทําการทํางานเก้าหน้าก็เป็นคนนั่นเองเรียเป็นพระเรียบุคคลนั่นเองถ้าทําการทํางานถอยหลังก็ยังไม่เป็นสังฆคุณเก้านิมนต์พระไปเก้าองค์ก็ไม่เป็นเพราะมันถอยหลังเนี่ให้เราเข้าใจอย่างนั้นสวดเท่าไหร่ก็ได้ไม่สวดก็ได้อะไรทั้งหมดเลยแต่ทําการทํางานแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตายไปแล้วโทษไม่ได้ แต่ท่านมอบให้พวกเราให้เราทําให้เราปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่พุทธศาสนาเนี่จะมั่นคงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยบริษัทสี่คือพิกษุพิกษุเนีอุบาสุปิสิกาบัดนี้ท่านบอกบริษัทสี่คือเสียไปแล้วบริษัทหนึ่งคือพิสุเนียถ้าจะพูดตามหลักการนะ่ะเศทิกษุอุบาสุบิสิกาอย่างสามแต่เราไม่ได้พูดอย่างนั้น ยังสองบริษัทเราจะเอาแต่บริษัทผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นเองผู้สั้นๆบริษัทหนึ่งคือผู้หญิงเพศหญิงบริษัทที่สองคือเพศชายสองเพศนี่แหละถ้าทำก็จะเลินขึ้นมาได้ทำที่ตรงไหนเราไปเรามาที่ไหนคอยดูป้องกันอันตรายป้องกันอันตรายที่ไหนก็ป้องกันอันตรายที่มันเกิดขึ้นภายในใจิตใจ มันมีการขัดแย้งภายในใจิตใจผิดปกติถ้าพระละหัน์ผิดปกติเขาเรียกพระละหันบ้าเ น, นี่ยคำพระละหัน์บ้าที่ ท, ที่ที่ตรงไหนญาติโยมหรือเพื่อนพระสงฆ์ฟังแล้วต้องเข้าใจบ้าที่จะลืมตัวไปพระละหันทําไมไปเห็นเลขเห็นบัตรเห็นเบอร์เนี่ยแล้วก็ทําไมพระละหันเป็นนับไม่เห็นไม่สายไปเห็นลุกนักแก้วดวงทิพย์ดวงจันทร์ เนื่อตัวเองไม่เห็นตัวเองก็เรี่ยวบ้าผิดปกติไปแล้วนั่นไม่เห็นชีวิตตัวเองโดยมากคนมันเข้าใจอย่างนั้นหวงพ่อเองก็เคยเข้าใจอย่างนั้นนึกว่าพระอะหรหันเนี่ยนั่งอยู่ที่นี่ต้องมองเห็นตับไตไ้ปอดคนนั้นคนนี้นึกอย่างนั้นจริงๆแต่ข่มจิงอันนั้นบ้าบ้าแล้วผิดแล้วนั่นบัดเนี้ยท่าหูทิตาทิพคนไปไกลๆ ก, ก็มองเห็นคนพูดไกลๆ ก, ก็ฟังได้บ้าแล้วนั่น บ้าจริงๆพิษปกติไปแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นอันนม้กล้ารับรองได้เพราะมันไม่มีเดี๋ยหลวงพ่อทํามาแล้วสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีพระสององค์จะไปรักษาหลวงพ่อเนี่ยเขารอให้ฟังพูดจริงนะเขาจะเพ่งจิตรักษาหลวงพ่อจะหายโรคหลวงพ่อไม่ต้องกินยาไปเรื่องนั้นคิดว่าตัวเองรอบแล้วเรื่องอย่างนั้นไม่ต้องมาโกหกหลวงพ่อคิดในใจก็ไม่ได้พูด ผมยังไม่มีเวลาเขาจะเอารถไปลักเขาจะไปรักษาอันนั้นแหละคนผิดปกติเอาบ้ามารักษาคนดีไปะจะหายทาไมคันหลวงพ่อยอมให้คนประเทศนั้นรักษาหลวงพ่อบ้าสองทันเข้าไปอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเถอะไม่ใช่บ้ า, าต้องรู้จักเราจะเป็นหลวงเดี๋ยวเนี่้ฟังคมพระเสียสละเสียสายเสียเวลาเสียการเสียงานฟังควมม า, ามพระกรรมฐานกรรมทอกรรมลอกขอาเงิน เอาเงินเราไปมีมักหลอดเล็กๆขังนะอยู่ดีมีแหงนะหมักหลอดอันนี้นะกรรมผีกั น, นสังมันหลอกเราทางนั้นจิตกรรมฐ า, านกรรมทอกาากรรมหลอกเอาเงิมีแต่พระกรรมฐ า, านบ้านเมืองของเราดิงพระวิปัสสนาก็เยอะแยะมากกันวิปัสสนาหมายถึงอะไรมันเป็นซื่อเท่านั้นวิปัสสนา ก, ก็หมายถึงรู้แจ้งเห็นจริงตามผมเป็นจริงนี่ เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นที่ิตร่างเก่าล่วงภาวะเดิมตั้งทําไมสิ่งที่ผิดผิดปกติก็ไม่ต้องพูดสิ่งที่ผิดปกติไปก็ไม่ต้องทําสิ่งที่ผิดปกติก็ไม่ต้องคิดแล้วก็ผิดปกติแล้วแบบนี้มันผิดปกติจะไปทำทำไมอันนั้นผิดปกติลืมตัวไปเห็นไหมพวกคุณพวกหนูอทุกคนเห็นหนูพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวกักไปกินเหล้าผิดปกติแล้วมันอยากกินเหล้าซีวิตไส์มีประโยชน์ไหม ไม่มีประโยชน์เลยอยักสุบบรีไหมหยักสุบบรีนุ่งผ้าสวยๆไหมอยากได้มีแต่เอาชีวิตไปแลกเอาเงินทางนั้นไปหาเงินมาเราใส้เงินผิดท่าผิดทางไปแล้วก็เดือดร้อนแบบ น, นี้เดือดร้อนทําไมเดือดร้อนเนะี่ยแยงกันผ้าราคาผืนนี่บาทนึงผมซื้อสองบาทเอาดีคนคนที่หลังก็อยากได้สี่บาทครับอยากได้แย่งกันดีๆขึ้นไปผลที่สุดทุกทางนั้นมีแต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่านั้นตั้งอยู่ มีแต่ทุกท่านดับไปเขาเลี้สอนกันสั้นทุกทางโลกทุกทางธรรมแต่เราไม่เห็นจิตใจนั่นเองโอ้จิตใจเป็นปกติท่านว่าเสื้อผ้าเครื่องไสไม่สอยเพียงแต่ปกปิดอวัยวะอันไม่ให้มีคมละอายเกิดขึ้นปกปิดอวัยวะอันเกิดคมละอายเท่า น, นั้นเองแต่เราเฮอกั น, นก็เลยเอาซี้งเป็นแลกเอาเงินทําการทำงานเอาแตงเงินเอาซี่งปนแลกเอาพรรคพวกเอาเกลีนยนตา ผลที่สุกโอนำความทุกข์มาให้เราเพราะเราปล่อยชีวิตไปชีวิตก็ขาดทุนบัดนี้เรามาที่นี่เอกกํำไรชีวิตเราต้องให้ชีวิตไม่เป็นทุกข์เงินทองมันลอยได้มาตามที่หลังรูดจากเก็บรูดจากใจนี่รูดจากหาถ้ารูดจากเก็บรูดจากหารู้จกาจกใจแหละไม่จนคนที่ไม่รูดจากหาไม่รูดจากเก็บไม่รู้จา ก, ก, กใจหาเท่าได้ก็จนไปเพราะได้มาแล้วก็จ่ายไป ได้มาแล้วกระจายไปเลยไม่รู้ทันการกันอันนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนควรคิดที่หลวงพ่อให้ข้อสิทธินีปดังนั้นพวกเรามาที่เด็กมาเพื่อจะฟื้นฟูคําสอนของพระจำนวนหลงวงพ่อถ้าหาทุกคนพูดอย่างหลวงพ่อนี่มีสมาธิคนละคนได้กําไรซีริสคนละคนกันไปแล้วไปวันนี้มีเพื่อนเราคนหนึ่งเอาไปพูดคนหน้าฟังเราก็ได้กําไรสองซีไปแล้วไป นี่กำไรชีวิตถ้าหากทุกคนอยู่อย่างนี้เราไปตามถนนไม่ต้องกลัวไม่ต้องระวังก็มีคนพูดให้หนวงพ่ฟังเมื่อวานนี้เองแยงทสียงกันแต่เป็นผู้หญงิงเป็นมือปืนอีกด้วยนะที่กรุงเทพนี่เองสองคนมีทองมาคนนั้นแล้วคนมือปืนเป็นผู้หญิงทั้งสองคนอ่อยตามมาพอดีลงรถยิงตรงเข้าไปเลยสองข้างตายเลยคน เนี่มีเงินนะ้าคนผู้หญิงสองค น, น, นเขาต่างจับไม่ได้แต่เขารู้กันไม่กล้าบอกกันคนผู้หญิงสองคนเป็นมือปืนว่าอย่างนั้นนี่เพราะเรื่องอะไรแปลว่าเป็นทาสของเงินไหมนี่เนี่ยต้องการเงินต้องการซื่อเสียงมีเงินมากแต่หาเจ้าหาหนายผู้มีอำนาจเรื่องก็หายไปเนี่ยเป็นทาสของซิซิคและบันนี้ ชีวิตก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วคนนนั้ก็ตายทิ้งไปเลยแต่ไม่ฆ่าก็ตายกันอยู่แล้วคนที่ไหนเกิดมาไม่ตายมีไม้มในโลกนี้ไม่มีเลยจังหวัดทาการทํางานไปนตามมาที่ความตายเป็นธรรมดาให้เรารู่เจ้าความตายเป็นธรรมดาเราต้องศึกษาธรรมะกาไรชีวิตเราจะรู้จักถึงผมตายทีห่หลวงพ่อจะพูด จริงๆสัจจาย่อมเปรียกของจริงแต่ศัจจะเรื่องปานาอธินากาเมนศีลห้าศีลแหลวงพ่อไม่ต้องพูดจะพูดควมจริงเพราะเวลามันจะไม่พอสัจจาย่อมของจริงทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่ฆ่าก็ตายโลกก็มีก็ตายโลกไม่มีก็ตายโลกบางอย่างรักษาก็หายโลกบางอย่างรักษาก็ไม่หายโลกบางอย่างไม่รักษาก็หายเนี่ยรักษาก็หายไม่รักษาก็หาย โรคบางอย่างนะโรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายบอรักษาก็ไม่หายรักษาก็ไม่หายตายจริงๆริง่ว่าไม่ควรที่จะไปฆ่ากันอย่างนั้นเห็นแล้วว่าชีวิตไม่มีราคาเลยคนทําอย่างนั้นจะเป็นคนไหมมีเงินเป็นพันล้านก็ไม่มีประโยชน์อะไรไล่กุศลไปแล้วอืคําว่าไล่ไล่กุศ์นะทางนี้ไล่กุศลไปแล้วไม่ใช่คนนั้นนี่แหละจะให้รูจ้จะบอกความเป็นคนอยู่ที่ไหนกันแน่เราต้นรูปยอง เ, อเราเกิดเป็นคน ชีวิตเขากับชีวิตเราก็เหมือนกันใครไม่อยากตายทั้งนั้นก็ไปฆ่าคนก็หมายถึงว่าต้องการเงินมีการขัดแย้งกันแก้การขัดแย้งภายในจิตใจเราไม่ได้คิดเลยคิดไปว่าจะคนนั้นมาขัดแย้งเราคนนี้มาขัดแย้งไปฆ่ากันอันนี้จะเป็นคนได้ยังไงยิ่งกดสัตว์ไแล้วสัตว์มันยังมีอยู่ด้วยกันได้คนแท้ๆอยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้แหละที่หลวงพ่อมาอันนั่นแปลว่าไม่มีประโยชน์เลย ชีวิตคนนั้นไม่มีประโยชน์เลยเกิดมาเสียความเป็นคนถึงจะเป็นคนก็เสียความเป็นคนเป็นคนไม่ได้แล้วแต่เป็นสัตว์แล้วนี่จะให้ทานรักษาศิ่นกินเจไปทำกรรมฐานนิพพานก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะจิตใจมันยังเลวร้ายอยู่เราไม่ต้องไปให้ทานก็ได้ไม่ใช่ห้ามนะไม่ต้องให้ทานก็ได้ไม่ต้องรักษาศิ่นก็ได้ไม่ต้องทํากรรมฐานก็ได้ไม่ต้องเจริญนิพพานก็ได้แต่ให้เรารู้จักคําว่าปกตินี่เอง เอียงไปข้างไหนก็ไม่ต้องออกผิดปกติแล้วบ้าแล้วเราต้องรอเราได้บ้าแล้ ว, ไ, ลวไม่ต้องทําไม่ต้องพูดไม่ต้องคิดแล้วก็อยู่โดยไม่เป็นทุกข์นี่พระยสุตตรยานุอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นพาตุรียบบุคคลเป็นสัจยาภาคต้นภาคที่สองเราจะเห็นปกติในจิตใจเราเป็นอาการของเปลี่ยนแปลงของจิตใจจิตใจจะเปลี่ยนเป็นภาวะเป็นภาวะได้ม า, าทีแรก เราเคยโกรธเราเห็นใจเราะมะก็โกรธน้อยๆเบาไปเพราะเรามีความรู้สึกตัวโกรธเบาลงเบาลงมีความรู้สึกมากเข้ามากเข้ามันก็จะไปถึงที่สุดได้ที่สุดทุกเนีน่ยนะที่หลวงพ่อจะพูดเนี่นี้สัจจะแกทุกคนต้องตายจําให้มันได้บทนี้ถ้าคนจําบทนี้มันเร็วๆหลวงพ่อเคยสมมตุติเราเดินไปที่ศาลานี่ เราไม่เคยเดินลงสลาแล้วก็โดดลงสลาขาหักบางทีเอาหัวหลกกระแทกพอหักตายบัด น, นี้คนเคยโดดลงสลานี่กระโดดเธอรู้จักไหมนะกระโดดลงสลาแล้วเขาจะเดินไปสบายสบายอันนี้ก็เหมือนกันคนทุกคนต้องตายแน่ต้องฝึกหัดตัวนี้เพราะว่าพ่อแม่ปูย่ย่าตายาย พ, พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้แต่หลวงพ่อไม่จะพูดภาษาบาลีเพราะหลวงพ่อไม่เคยคล้องกับภาษาบาลีมาก คนเกิดมาร้อยวันพันปีถ้าหากไม่รู้จักภาวะอาการเกิดดับหรือความเปลี่ยนแปลงของจิตใจนี้ซีรีสคนนั้นเป็นหมันเป็นโมคะเกิดมาร้อยปีพุนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยคนที่ฆ่า ก, กันตายมไม่กี่วันไม่มีประโยชน์อะไรเลยยิ่งกดฝา์เชียวบัดนี้คนเกิดมาเพียงวันเดียวพวกหนูพวกคุณฟังหนูพ่อคุณเออหนูพ่อว่ า, วาปกติมีแล้วในคนทั้งหมดฟังจําได้ อันนี้เกิดมาเพียงวันเดียวรู้สภาพภาวะอาการเสรื่อดับและความเปลี่ยนแปลงของจิตใจดีกว่ามีประโยชน์กว่าบุคคลที่เกิดมาลอยปีอะไรนั้นเพราะเราจิตฝึกใท้ตัวที่ว่าความเปลี่ยนแปลงของหลงบันไดลงกุศนั้นลงกระโดดหลงสลา น, นี้เองบัด น, นี้ถ้าเป็นพระสงองค์เจ้าบาันบวชมาร้อยพรรษาถ้าหากไม่รู้จักภาวะอาการเสรื่ดับและความเปลี่ยนแปลงของจิตใจนั้น การบวชของผู้นั้นอาณาสงของการบวชคนเป็นโมฆะเป็นหมันใช้ไม่ได้กันเลยคนบวชมาเพียงวันเดียวรู้จักภาวะอาการเกิดดับลัก ว, วมเปลี่ยนแปลงของจิตใจอาการเกิดดับนะเป็นภาวะเป็นภาวะไปแล้วกัการบวชของผู้นั้นวันเดียวดีกว่ามีประโยชน์กว่าบุคคลผู้ที่บวชม า, 100, าร้อยพรนษาอันนี้แหละเราไม่เข้าใจล้วก็ไปติดคนบวชนาน พระภูหรือเจ้าคุณหรือเนี่ยเราไปติดอันนั้นเราไปติดสมมุติติดวัตถุหยุติดเงินเป็นธาตุของเงินติดวัตถุเป็นธาตุของวัตถุเราอย่าไปติดอย่างนั้นเราต้องให้รู้จักอันนั้นเป็นเพียงสมมุติเขาเรียกออกพูนปฐมกาฏธูติญาการตติญาตานจตุรานมาไว้พวกนี้แล้วบัดนี้คนที่ไม่รู้ก็ต้องติดพวกนี้ไปหลวงพ่อเคยติดมาแล้วเรื่องของนี้หลวงพ่อไม่รู้ หลวงพอ่อนื่ว่ามันเป็นจริง เ, เ, เป็นจังผู้ใหญ่บ้านกำนันตำรวจทาหารค ร, านนรูปศบาลหลวงพ่อมีเกียรติมียศมากมีจริงแต่อันนั้นมันไม่ใช่สิ่งของจิตอันเกียรติยศจริงๆเนี่ยตัวปกติมีเกียรติยศจริงๆใครหาซื้อที่ไหนได้อันนั้นตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันทําไม่ไดีเขาถอดได้เป็นข้าครูไม่ไดีเขาปลดออกมาได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องสมุดอย่าไปหลงจริงจเอาของดีที่มีในตัวเรายกมือไหว้ตัวเองได้นี่ อันปกติเนี่ยอันความปกติไี่มีแล้วในคนทุกคนที่หลวงพ่อพูดเนี่ยอันเรื่องมโนนั้นมันช่สิงของจิตอันเดกเกียรยศมากที่สุดหาได้ที่ไหนต้องหาที่ตัวเร า, าพระพุทธเจ้าท่านสอนกั้งศอกบงาวานาคือมีพร้อมทุกอย่างให้เราศึกษาได้ที่ตรงนี้นี่เราต้องศึกษาที่ตรงนี้เราไม่ต้องไปศึกษาที่ไหน อันนี้เนี่ยเป็นของจริงพ่อทุกคนจะต้องตายจริงๆเราตายต้องให้อะตายเสียก่อนตายยังเมื่อมีลมหายใจพระสาวกทุกองทุกศึกษาในเกว่าเข้าสารตายท่านว่าอย่างนั้นแต่เราไปติดตาราซะก็เลยไม่ได้ไปศึกษาที่ตรงนี้เข้าสารนั้นเข้าสารนี้ตามพระพุทธเจ้าไปอันนั้นเป็นเรื่องสมมุติในคําพูดให้เราเข้าใจจริงๆถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆเราการศึกษาหลักพระพุทธศาสนามันจะผิดหลัก อย่างที่พระพุธรูปเนี่ยพวกคุณพวกหนูพวกพระสงเนี่ยรู้จักดีอันนี้ก็เป็นสมมุติเป็นวัตถุพวกนั้นพวกเปีกับอินเดียเป็นสงครามกันเนี่ยพ่อท่นนี้พวกคุณรู้จักแล้วแต่ก่อนไม่เคยมีพระพุทธรูปเลยเป็นอย่างไรเนี่ยพวกนั้นสร้างขึ้นมาเมืองไทยก็เอามาเป็นที่ระลึกเดียวนี้เอาเงินไปสร้างพระพุทธรูปไปจํานวนลานล้านแสนแสนอันนั้นทําให้เศรษฐกิจเส้นเตืองไปโดยที่ว่าไม่ใส้ควรทํา อันพระจริงๆทำหมายถึงไม่ทำเพราะเรื่องอะไรเพราะไม่รู้จักของจริงไปติดสมมุตินั่นเองเราอย่าไปติดสมมตุติอย่าไปทำนายสมมตุติแต่เอาไว้ให้เพื่อคนที่ไม่รู้คนที่ไม่รู้ให้เขาทำไปก่อนพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนคนที่ไม่รู้ให้รู้สอนคนที่ทำผิดให้กลับคืนมาทำถูกต้องสอนคนที่มีทุกข์ให้หมุดทุกข์ไปนี่สามอย่างนี้ อันนี้เป็นหัวใจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเรื่องนี้ทุกที่สุดคือคนกลัวตายไ่กลัวทำไมตายเดินเข้าไปหาคนตายโดยที่ไม่กล้ า, าเข้าไปหาคนตายโดยไม่กล้าหานเ อ, อโดยความกล้าหารมีอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเข้าไปหาคนตายโดยกล้าหารไม่ก ล, กลัวตายโดยที่ความหลงผิดก็ไม่ได้เข้าไปหาคนตายโดยมีสติโดยมีปัญญาอย่างที่เราประจักษ์ูพิษ ของสัตลายเราต้องหาวิธีจับกันได้นี่ก่อนเรียกว่าไม่กลัวตายคนที่ไม่กลัวตายไปจับองคุพิมันกัดเราตายไปทันทีอันนั้นก็เลยไม่กลัวตายโดยที่ไม่ไม่รู้จักกันี่ว่าวิธีที่หลวงพ่อพูดนี่คือว่าให้เราดูความคิ ด, ม, คดคมันคิดไปให้รู้ปล่อยไปเลยมันคิดไปให้รู้ปล่อยไปเลยอันนี้เป็นวิธีล้ำลึเราจะไปถึงที่สุดทุกตอนที่จะถึงที่สุดทุกพอดีจิตใจเราจะเปลี่ยนพุ่ลงไปมันจะขาดช่วงกันทันที เขาเลยว่าอย่าให้อาจตนะถึงกันได้นะครับว่าอันนั้นมันไม่ถึงอยู่แล้วที่ว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วเราไม่รู้ปกติอันนี้นี่เองเมื่อเราไม่รู้ปกติเนี่ยก็ยินดีเงินยินดีซื้อเสียงเกียดตยศเป็นทาสเท่า น, นั้นเพราะเราไม่รู้จักอันนี้นี่เองอันนี้มันเป็นวัตถุเนี่ว่าเช่นขนบังภูเขาขนตาบังเราเนี่ยขนตาเราบังเราไม่ให้เรารู้ชีวิตของเราเท่านั้นเอง เมื่อเรามามองปกติอ๋อเรื่องนี้มันเป็นปกติอยู่แล้วคลัวมไม่ถกกลัวมไม่สุขมีอยู่ที่ตรงนี้นะครัดูที่ตรงนี้ทําการทํางานเอาพระทำทําไปพระต้องทําไปเป็นพระเลยนี่นี่แหละหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังบ่อยเคยได้ยินแล้วมาที่นี่คนมาที่นี่หลวงพ่อเดินจมกลมไปผมก็ยาวนุ่งกางเกงเอ๊ยเป็นพระได้แล้ววันนี้หลวงพ่อเคยพูดเคยได้ยินบ้างไหมยังไม่นี่ยเคยได้ยินทุกคนเคยได้ยินบ้างไหมเอีย<ม> ทำไมหลวงพ่อพูดได้ก็เพราะหลวเพาะเป็นอย่างนั้นไงกําไรชีวิตพวกหนูพวกคุณมาไม่เคยได้ฟังก็ต้องทำอย่างนั้นหลวงพ่อวะ่ะหลวงพ่อได้กําไรชีวิตพวกคุณพวกหนูก็ทําอย่างนี้เขได้กําไรชีวิตเดี๋ยวไปค้าขายได้กําไรชีวิตอันนี้เป็นกําไรที่เป็นของดีเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นสัตว์ยากทำไ่เป็นปกติบัดบนี้มันขาดช่วงปรเด็ความทุกข์ก็ได้มีความทุกข์ทุกก็ได้ตากแดดนอนฝนก็ได้ทําการทํางานเหนื่อยออกแรง